มีงานบรรจุอธิธาต์และก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์ปีนี้จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอธิธาต์หลวงหลวงปู่พระสงฆ์คณะสงฆ์ก็เลยจะซ่อมยอดพระเจดีย์ของหลวงปู่และกับูรณะ พระเจดีย์ให้อยู่ในสภาพตีที่สุดเขาก็มาเอาหลวงพ่อให้หลวงพ่อเป็นประธานในการซ่อมได้ไหมเอหลวงพ่อเออเอาได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะช่วยๆ่วยดูคือเจดีย์ของหลวงปู่เหลียนเมื่อสร้างเสร็จแล้วลงลักปิดทองตนเต้าใหญ่พระเจดีย์บนยอดนะตอนนี้พอแดดถูกแดดถูกฝนถู ก, ถกอากาศความชื้นความแห้ง ผลในสุดทองนันก็ล่อนลอกสีดำาปื้นออกมาอีกแล้วก็เอาช่างอย่างดีเข้ามาทำอีกสองสามครั้งแหะแต่ละครั้งนะหมดไปตั้งห้าหกแสนนะไม่ใช่น้อยขนาดทองทองยังไม่ถึงหมื่นสมัยนั้นราคายังไม่ถึงหมื่นต่อนหนึ่งบาทแต่เนี้พอมาทองขึ้นถึงสองหมื่นกว่าบาทเนี่ย โอ้ oh, ถ้าจะซ่อมอีกอย่างเก่ามันก็ต้องเป็นล้านน่ะไหวเล้อก็เลยมาปรึกษากันก็เลยจะไปปรึกษาไอ้เล่ไปจ้างบริษัทบ้านโป่งราชบุรีบริษัทสเตนเลสเขาว่าเขาทำได้หก็เลยให้เขามาดูเขาคิดว่าจะตีเป็นสเตนเลสเอาสเตนเลสหุ้มเลย มุ่มเลยก็มาขัดพอขัดแล้วก็พ้นสีทองมันเป็นสีทองอโอ้กว่าจะตกลงกันได้ครับพอแรงเหมือนกันมีผู้คัดค้านอยู่บ้างเพราะยังไม่เคยมันเป็นเป็นวิทยาการใหม่เป็นเรื่องขึ้นมาใหม่ควรจะเป็นการกระทบกระเทือนพระเจดีย์ผลในสุดก็มายืนยันกันกพ็พอทําพอทําเสร็จแล้วเมื่อวานกันเป็นที่พอใจกันทุกคน ว่างานออกมาได้ดีมากไม่เสียรูปทรงแล้วก็พร้อมกันก็ทางบริษัทเขาก็รับประกันแล้วว่าสิบปีทองเนี่ยสีทองเนี่ยจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงสิบปีเขารับประกันถ้าสิบปีแล้วก็มันก็คุ้มค่านะที่เราปิดลงรักปิดทองเนเพียงปีกว่าๆเท่านั้นนะร่อนเกือบหมดแล้วเป็นปื้นเป็นปื้นดูๆแล้วก็ ถ้าเราไม่ซ่อมหรือมันก็นเหมือนเหมือนพวกเราไม่ใส่ใจถ้ามันเป็นขึ้นมาหรือเราซ่อมทุกครั้งไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันกินเงินเยอะก่อนจะซ่อมพระเจดีย์แต่คราวนี้ก็ตกลงกันเฉพาะองค์พระเจดียนะ์ประมาณสามล้านสองซ่อมพระเจดียนะ์ซ่อมจะเต็มเลทนะสามล้านสองแล้วก็ซ่อมบริเวณ พระเจดีอีกรวมกบกันประมาณห้าล้านที่ซ่องพระจีริกดีหลวงปูเ่เลียนพวกเราขึ้นไปดูได้ทาว่าพวกเราไปเห็นมา ก, ก่อนะพอไปเห็นข่าวนี้โอ้ดูสิว่าใหม่ใหม่ขึ้นเยอะนะหลวงพ่อไปเห็นเมื่อคือนโอ้ใหม่ขึ้นเยอะแล้วก็วันเมื่อวานะมีครูบาอาจารย์มาแสดงมาสวดมนต์พระเป็นพันมามกเมื่อวานนลยองแสดงธรรมเมื่อคือนนะี่คื อ, คอหลวงปู่ท่อน แสดงเป็นองค์แรกท่านก็พูดเรื่องความพร้อมเพียงสมัคคีให้รักประเทศชาติเนี่ยนะเทศของท่านเมื่อคือนนีองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณท่านเจ้าคุณวัดบึงพหลาชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นองค์ที่สองแต่พอหลวงพ่อได้ฟังแต่องค์แรกองค์หลวงปู่ท่อนแล้วองค์ที่สองนี่ก็มันดึกแล้วก็คงหลวงพ่อก็ได้ออกมาเมาื่อคืนมาถึงวัดกึก สี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มมาถึงวัดเมื่อคืนนี่ยแต่วันนี้พอฉันเนี่ยหันเสร็จแล้วก็ประมาณสักสิบสิบอดโมงนหลวงพ่อเคงจะไปกลับไปวัดหลวงปู่เลียนอีกเพราะว่าฟ้าหญิงจะเสด็จสิบห้านาฬิกา ว, วันนี้ฟ้าหญิงเสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็พระธาตุของหลวงปู่เลียนและก็พระธาตุของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยถุแทะจะเ้าองค์ไหนเข้าไปบรรจุบนยอดพระเจดีเพื่อเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทางหลายพระบรมสารีรัตา์และกร ะ, ะ, ะพริบฐานพระหรันบรรจุว น, นบนบนยอดพระเจดีเดนนั่งร้านก็ยังอยู่พอฟ้าหญิงเสด็จมาบ่ายสามโมงพระ อ, องค์ก็คงบรรจุ พระธาตุจากนั้นก็คงจะใส่สักลอกขึ้นไปไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุปงบนยอดพระเจดีย์จากนั้นก็คงจะประสงค์อนุโมทนาให้พรขณะที่สักลอกขึ้นไปก็คงจะสวดสยันโตส ย, ย่มมงคลคาถาแต่หลวงปู่จามท่านบอกว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย อย่าไปสวดใส่มงค์โกลคาถาต้องสวดอิติปิโสมันจึงจะถกหลวงปู่ยามว่านะหลวงปู่ยามมาสวดอิติปิโสพระกรวาอรหังสัมมาสัมพุทธะคล้ายๆว่าเป็นการเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนมันจึงจะถูกอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าพระท่านเป็นมงคลมหามงคลอยู่แล้วะเรามีแต่เชิดชูบูชามันจึงจะถูกก็ หลวงปู่จาให้เหตุผลโอ้หลวงพ่อว่าก็มีเหตุมีผลดีเหมือนกันนะแต่นั้นหลวงพ่อจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณสถานที่ใดหลวงพ่อมีแต่ให้สวดอิติปิโสนะอา้าวสวดอิติปิโสสามจบนะเนี่ยพร้อมกันทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระทุกคนนะั่นแหละพอพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของผูหนึ่งผู้ใดของเป็นของพวกเราทุกคนสวดอิติปิโสพร้อมกัน ีิทิปโซพระขาวาอารหังนะส่สวนะอันนี้ก็คือเมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วก็ปิดคางบนเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาไว้บนยอดพระเจดีนี่แหละอันนี้ก็คือวันนี้จะได้ทำอย่างนี้แหละยางทำอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหล ะ, ะเมื่อเสร็จแล้วก็คงจะแยกย้ายกันก็เป็นว่าจบเสร็จ งานของหลวงปู่เหลี้ยนหรือว่างานขององค์หลวงปู่เราทุกอย่างก็คงจบแต่แต่ก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่จะได้พระราชทานเพลิงศรีระของท่านก็สปีนะหลวงปู่เหลี้ยนพอศรีระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม า, มาดูพระเจดีความพร้อมของพระเจดีอีกปีนี้ก็เลยพยายามซ่อมใหญ่เลยเพื่อให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์จากนั้นก็บรรจุแล้วก็นี่แหละ เสร็จแล้วทีนี้ต่อไปก็เป็นที่กราบไหว้ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหลา่าผู้ที่เข้ามากราบมาไหว้พระเจดีคำว่าพระเจดีคานีนะ้ในหลักของพระพุทธศาสนาหรือในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถูประหะบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างจะทูกพระเจดีคือบรรจุพระปรรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า แล้วก็พระปฏิเจก c t พุทธเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้าจักรพรรดิ์พระเจ้าจักรพรรดิคนที่มีกิเลสมีอยู่ท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าจักรพรรดิจากนั้นก็เป็นพระหันทั้งหมดทั้งสามพระองค์พระหันพระปฏิเจกพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าอันนี้สามองค์เนี่ยสมควรอย่างยิ่งแต่ทําไมพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทําไมจึง สร้างสถูปและเจดีย์คือว่าสถูปและเจดีย์คนี้เนี่ยคือไปสร้างในทางสีแพ้งหรือว่าสร้างในสาธารณะคนที่คนได้ไปกราบไปไหว้สมัยก่อนเขาว่าทางสีแพ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาให้คนได้กราบได้ไหว้ทุกวันไม่สร้างแต่สร้างทางสีแพ้งเดี๋ยวรถยนต์รถสิบล้ อ, อ ก, กระเทือนเจดีย์พระเจดีย์พังลงได้ง่าย สมัยก่อนมีแตล่ล้อมีแต่เกวียนมีแต่รถม้ามันไม่กระเทืนเอนเราไปสร้างไว้ในทางสี่แพ่ง <c oughs> คนเข้ามาเขามากราบกราบเคารพสักการะแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลทําไมพระเจ้าจากักรพรรดิทำไมเขาจึงท่านจึงสร้างเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้ทรงคุณธรรมสอนคู่คนให้รู้จักศีลธรรมปกครองคนโดยศีลธรรมถ้าว่าคนไหนทุกทุกยากลําบาก ทำไมไม่มีเงินไม่มีทุนเอาเอาทุนให้อในยุคสมัยพระเจ้าจากักรพรรดิไม่มีขโมยโวยโจนไม่มีคนนักเลงหัวไม้เป็นคนมีศีลธรรมไม่มีกุญแจไม่มีลูกกอรสมัยนั้นขนาดนั้นแหละเพราะนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยผู้ใดก็ตามไปกราบท่าน ไปกราบที่ธาตุของท่านก่อนลำลึกถึงบอกเออขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือให้เป็นลูกน้องของพระเจ้าจักรพรรดิในเมื่อจะเป็นลูกน้องของพระเจ้าจักรพรรดิต้องทํำตนเป็นคนดีต้องทําตนเป็นคนดีต้องมีศีลห้าต้องมีศีลอุโบสถเพราะฉะนั้นในยุค ข, ของพระเจ้าจักรพรรดิจึงเป็นยุคที่มีความสงบพรมเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะฉะนั้นเจดี จึงได้มีขึ้นว่าพระเจ้าจากกักรพรรดิหนึ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระปฏิเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระรหันตสาบกหนึ่งพระเจ้าจากกักรพรรดิหนึ่งเนี่แหละอันนี้คือสมควรที่จะสร้างสัทูตพระเจดีย์นอกนั้นแหละไม่ควรนะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราไม่ควรคำว่าไม่ควรคํานี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตวิญญาณวิจัยของพวกเราใจผู้มีกิเลสอยู่เนี่ยใจผู้มีกิเลสอยูเนี่ย คิดว่าจะไปสร้างเามนที่ไหนไอจะไปสร้างเจดีที่ไหนจะไปสร้างหงสุ้ยที่ไหนจะไปสร้างอะไรก็ตามที่จะบรรจุอัติธาต์ของตนเองกระดูกของตนเองที่จะบรรจุ ก, กระดูกของเราเองใจมันไปก่อนะใจของเราพอตายป๊อปใจมันไปคอยอยู่นั่นล่ะพ อ, อเอากระดูกไปใส่ไว้ที่นั่นเอากระดูกแข่งไปไว้ที่นั่นวิญญาณก็เฝ้ากระดูกตัวเองท่นี้น เพราะว่ามันไม่มีธรรมเนี่ยกระดูกใจไม่มีธรรมมันก็ต้องไปเฝ้ากระดูกแข้งจวนกระดูกแข้งเนี่ยละเลงละลายไปเมื่อไหร่วิญญาณจรนจริงจะออกไปหาเกิดที่อื่นเพ้อเพ้อกันนั่นแหะใครมาก็ฟอกหลอกคนอยู่เรื่อยอะไรท์เนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองหวงกระดูกหวงสมบัติของตนเองเพราะคนมีกิเลสอยู่ไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต พระปเจ๊ผู้เยา่าพระเจ้าจักรพรรดิถึงยังไงท่านก็ไม่เฝ้ากระดูกของท่านแล้วเพราะท่านสร้างคุณงามความดีของท่านอย่างเหลือล้นอย่างเต็มเปี่ยมหมดแล้วยังไม่ต้องพูดถึงพระหลานพระหลานพอทิ้งาธาตุขันนั้นท่านก็เข้าสู่นิพพานเลยนิพพานนางปรามังสุขขังนี่นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งท่านไม่ต้องมาเฝ้าอธิธาตุของท่านอันนี้ก็คือพวก เราคณะสัาาตยาธิโธมคงจะสงสัยว่าทาไมในหลักของพุธทธศาสนาในสมควรสร้างพระเจดีย์หนึง่งมากน้อยอย่างไงแค่ไหนขนาดไหนจึงสร้างพระเจดีย์นี่แหละท่านมาถูประหะบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างสถูปพระเจดีย์นี่แหะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงตาเขาจะหลวงปู่เลี้ยนน่ หลงปูเทศเมื่อท่านจุติไปแล้วมรณะภาพลงไปแล้วอธิธาต์ของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นถ้าว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดก็ตามมรณะภาพลงไปแล้วอธิธาต์ได้กลายเป็นพระธาตุอันนั้นคือของพระธาตุของพระอรหันต์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายผู้หญิงก็เป็นพระธาตุได้ อย่างของคุณแม่ชีแก้วที่แรกก็เป็นกระดูกธรรมดาพอเอามาเก็บไว้ไม่นานท่านก็กระดูกของท่านได้กลายเป็นแก้วเป็นแก้วขึ้นมามันไม่ใช่แก้วแบบใสเด็กนะเป็นแก้วคุ่นๆแต่เป็นแก้วนะในเห็นได้เห็ น, หนใครๆจับมาก็ที่ได้เก็บไว้กับลักษณะนั้นเกือบทั้งหมดอันนี้คือกระดีกระดูกหรืออธิธาตุของคุณแม่ถ้าเรา ดูแล้วก็นเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็คือกระดูกของพระอรหันตะ์นี่กระดูกที่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะได้เป็นกระดูกของท่านใหเป็นแก้วหรือว่าเป็นพระธาตุอย่างนั้นนะท่านต้องชำระใจของท่านซะก่อนใจของท่านต้องเป็นใหญ่ถ้าว่าใจของท่านยังมีกิเลสอยู่จะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเมื่อใจของท่านให้เป็นพระอรหันต์ กระดูกของท่านก็คือกระดูกของพระรหันต์เสนานะวัดวาศาสนาของท่านก็คือวัดวาศาสนาของพระรหันต์สัต์ูปของพระรหันต์เจดีย์ของพระรหันต์สรุปแล้วก็คือใจใจเป็นตัวหลักใจเป็นตัวหลักในหลักของพุทธศาสนาแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าว่าอบรมใจดีแล้วใจได้เป็นพระรหันต์แล้วสิ่งอื่นก็เป็นพระรหันต์ไปด้วย ถ้าหัวใจต่ําช้าเร็วซ้ำสิ่งที่เขามากเกี่ยวข้องกับต่าช้าเร็วซามไปด้วย <m> เหมือนกับนักโทษประหารเนี่ยอคนนี่แะเป็นนักโทษประหารถ้าพ่อเขาไปอพ่อพ่อของนักโทษประหารแม่เขาไปกันเนี่ยแม่ของนักโทษประหารลูกเมียเขาไปกันเนี่ยลูกเมียของนักโทษประหารทําไมเพราะนักโทษประหารเป็นหลัก นี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้เป็นพระรหารใจของท่านสําเร็จแล้วเป็นพระรหารแล้วส่วนอื่นก็ดีไปด้วยเป็นชริเป็นมงคลไปด้วยเพราะฉนั้นใจสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับการฝึกฝนจะได้ร้องต้องรับการปฏิบัติอย่างพวกคณะสัตย า, าติโยมมาที่นี่ก็เหมือนกัน หรไปที่อื่นก็เหมือนกันเข้าสู่วัดวาศาสนาอันนั้นแนหะพวกเราเข้าไปอบรมทางด้านจิตใจเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาพลังคือบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราพรหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านว่าใจจะต้องมีอาหารอีกอย่างหนึง่งร่างกายมันมีอาหารอีกอย่างหนึ่งร่างกายอาหารอาหารของร่างกายนั้นคืออะไรคือข้าวน้ําโภชนาอาหารคืออาหารที่พวกเรากิน เป็นคำๆเป็นก้อนๆเน้ออาหารที่อยู่ในถาดอยู่ในสชำรับอันนี้คืออาหารเลี้ยงร่างกายยังไม่พออย่างนั้นยังมีผ้านุ่งห่มอีกจากนั้นก็มียาแก้รโรคภัยไข้เจ็บอีกเวลาปวดท้องปวดชีสระจากนั้นก็มีที่อยู่อาศัยอีกคือศาลากุติบ้านพักพาอาศัยอันนั้นเราที่อยู่อาศัยอันนั้นเราจัดว่าเป็นเป็นปัจจัยสี่เป็นเครื่องอยู่ของร่างกายะ เป็นเครื่องอยู่ของร่างกายถึงจะมีอาหารดีขนาดไหนผ้านุ่มหมดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยสวยหรูโ อ, อ้อ่างงามขนาดไหนร่างกายนี่เข้าไปอยู่ร่างกายนี่ก็ไม่ไม่ใช่จะหนุ่มไปข้างหน้านะแก่ไปข้างหน้าอีกเดียนี้แกแกแกแกไปเรื่อยผลใี่สุดก็ถึงจุดจบของมันเหมือนกันอันนี้คือร่างกาย แต่ส่วนจิตใจนั่นหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าใจนั้นไม่มีป่าชาใจไม่มีป่าชาคือร่างกายของเราเนะี่ยมีสองในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วที่วันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าไปตัดสรูธรรมท่านไปค้นคว้าเป็นนั่งคิดไปกันกรองไตรตอนถึงหกปีไปนั่งภาวนาจุโคลนต้นโพแถวละแวกนั้น บำเพ็ญทุกอย่างเพื่อจะหาทางทว่าทำไมจะทำอย่างไรจึงไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อีกเพราะเห็นแล้วมันมันทุกข์เหลือเกินเห็นใครตายแล้วกัน่ขนเห็นใครแก่แล้วกันเห็นใครเจ็บแล้วกัเห็นคนตายแล้วก็มินล้วนแล้วจะเป็นทุกข์ทางนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะมั่ไม่แก่เจ็บตายไงนี่พบกัพระอาจาไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพเลยนี่หละ ้จุดนี้ให้พวกเรากณนัตสตายายโยมศึกษาส่วนร่างกายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็แก่เจ็บตายแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปดูเนี่ยไปดูกายแต่ท่านว่าไม่ใช่ท่านทรมานกายที่แหลวอดพักายอาหารถึงสี่สิบเาวันอดและอดอีกอไม่ใช่จอก่อนจะอดนั่นก็ทานอาหารแบบน้อยนิดอีกเออทรมานกายแต่ท่านว่าไม่ใช่ ไม่ใช่หนทางท่านทรมานใจเดดูใจเถิดกหนด ด, ดูใจท่านจึงนั่งสมาธิพอ nang สัมมาธิจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมดันั้นท่านได้รู้ได้ด้วยด้วยพระองค์เองรู้เรื่องของพระองค์รู้เรื่องของตัวเองอุ่นง่ายงรู้เรื่องของเจ้าของเองไม่ใช่รู้เรื่องของคนอื่นนะยกว่าปุเพนิวาสารุัตติยาน เรามาอย่างไรแล้วเรามาอย่างไงมาที่นี่ด้วยเหตุอันใดเราจึงมาที่นี่นี่แหละพระพุทธองค์ท่านรู้ได้ได้ได้ยาน่จากนั้นพระองค์รู้คนอื่นน่ะจตูปปาปาตยานรู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องของวิญญาณอื่นรู้เรื่องของสรรพสัตว์ทวนชวนอื่นออรู้เขารู้เราแล้วก็รู้เขารูเนี่ยแหละรู้เราแล้วก็รู้เขารู้คนอื่นนี่แหละพอรู้คนอื่นเสร็จแล้ว ทำไมสรพพสัพตว์ทั้งหลายจึงมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรท่านก็ดูไปอีกภาพรวมเลยดูภาพรวมเพราะสรรพสัตต์ทั้งหลายมีกิเลสราคะโทสะโมหะใน จ, ใจิตใจเนี่ยนะพระ อ, องค์คือจึงหาช่องทางที่จะชําระยังไงชําระใจยังไงจึงจะพ้นทุกข์จะไม่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเนี่แหละหลักของพุทธศาสนาอาตับแรกหลวงพ่อเนีพูดว่าทรมานกายใช่ไหม มันไม่ใช่ม่ทรไม่ใช่ทรมถากิเลสมันมันมันไม่ได้อยู่ในกายมันอยู่ในใจใจคือตัวไห น, นคือนามะธรรมตัวที่มองไม่เห็นตัวทู้รู้จิตตัวนี้แนหะตัวนี้จะพาไปเกิดตัวนี้ไ ม, ม่มีป่าช้านะอย่างที่ลุงตามหาบัวนะร่างกายมีป่าช้าตายแล้วเขาไปเผาถ้าไม่เผาก็มเหมน็นกันน่ะไอ้ต้องไปเผาไปฝังไร่างกายแต่ส่วนจิตใจเนี่ยออกจากร่างแล้วเนะียไปหาเกิดที่อื่นนี้นะปฏิสนธนะิท่านว่า ท่านไม่ว่าเป็นว่าใจไปหาเกิดไม่ใช่นะแล้วว่าปฏิสนธิคือใจออกไปออกจากร่างเนี่ยไปหาที่เกิดที่อื่นอีกไงอันนี้เราปฏิสนธิวิญญาณะไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่นี่ท่านรับประกันไม่ได้รับรองไม่ได้ว่าคุณเกิดเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เจ้าจนต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเจ้าเกิดเป็นช้างเราจะต้องเจ้าจนเกิดเป็นช้างอีกไม่ใช่นะอถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเราทำตัวไม่ดีแชมป์แชมป์ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งหลุดเลยว่นงั้นหลุดแชมป์อาจจะตกไปเกิดเป็นช้างก็ได้ถ้าทำชั่วอีกตกเ ป, เป็นควายอีกเเป็นหมูหมากาไกา่เป็นได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้งั้นขอให้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้คลองแชมป์เอาไว้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วให้สังสมให้ทำคุณงามความดีเอาไว้ ให้สร้างบุญเอาไว้เข้าสู่จิตใจเอาไว้ตายแล้วไม่สูญจะลุปแล้วตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วรู้แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตายนี่คือร่างกายสิ่งที่มันไม่ตายนี่คือจิตใจตัวนี้แหละที่ไปเป็นวิญญาณ์และไปเป็นผนะีที่พวกเรากลัวกันนะก็คือใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละนะอตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร